ทั้งทำกันได้เพื่อให้เป็นส่วนประกอบกับการปฏิบัติพูดกับพูดกับสิ่งที่อยู่กับเราเราได้ยินในสิ่งที่เราได้ทำเราได้ทำสิ่งที่เราได้ยินมันก็เป็นสิ่งเวดล่อมที่ดีการปฏิบัติธรรมนี่เป็นส่วนตัวหลงก็หลงเองลูกก็ลูกเอง ไม่มีใครช่วยเราด้าการปีิบัติธรรมศึกษาวิชากรรมาฐานนี่ไม่ต้องไปใช่เหตุใช่ผลเอาผิดเอาโทกเสียเวลาไม่ต้องใช่สมองหัวคิดอะไรต่างๆเป็นกรรมกรรทํารนล้วดเ ร, รียกว่ากรร ม, มาฐานแล้วก็การเห็นก็ไม่ใช่แบบคิดเห็น เป็นการพบเห็นถ้าชิดเห็นยังไม่เป็นของจริงถ้าพบเห็นมันจริงเดี๋ยวนี้ต่อห น, น้าต่อตาเดี๋ยวนี้แต่คิดเห็นมันอยู่ไกลอยู่มันอยู่นอกตัวเราไม่ใช่เรื่องในตัวเราถ้าพบเห็นมันอยู่ในตัวเราอะไรก็ตามที่มันพบเห็นเราก็ไปเกี่ยวข้อง คำว่าพบเหน็นก็ถูกต้องแล้วไม่ต้องไปใช่เหตุผลตรงนั้นฉันเห็นความหลงทําไมมันจึงหลงไม่ต้องไปคิดแบบนั้นถ้าเห็นมันหลงแล้วก็มันหลงรู้จริงอันเดียวภาษาเดียวรู้เราทําไมมันจึงหลงไม่น่าจะหลงมันก็นอนชาไปแล้วเราจึงมีการพบเห็น เห็นก็ไม่ใช่มีคำถามไม่ใช่มีเหตุผลก็ไปเจียวข้องเห็นแจ้งด้วยนี่คือตัวรู้นี่คือตัวหลงนี่คือทุกข์นี่คือสุขนี่คือรู้นี่คือไม่รู้นี่นี่เภาษานี่ภาษาชี้จึงจะเรียกว่าเห็นธรรมไม่ใช่รู้ธรรมงตาเห็นธรรมไม่ใช่ตาเนื้อ ป็นตาสติปัญญาเห็นนะบ้างเห็นกายมีคําถามไหมเปล่าเห็นกายเราเอามือเราลองเอาวางไว้บนเขา่าเห็นไม่มีคําถามอีกมือเคลื่อนลู่เห็นแต่เป็นราษาติซ้ําลงไปกับลู่เห็นครบเห็นเคลื่อนมือไปมาลู่เห็นไม่มีที่ลับไม่มีที่ลี้เรื่องของกาย เรื่องของกิตใจมันคิดขึ้นมาก็เห็นถ้าเห็นกายเป็นฐานแล้วการเห็นใจก็เห็นได้ง่ายเห็นใจก็เห็นมันชิดการชิดเกินเคลื่อนไหวของกิตใจมันเคลื่อนไหวเป็นเหมือนกันใจมันชิดลักษณะของการชิดคือภาวะที่ชิดว่าชิดก็คือเรื่องเดียวไม่ใช่หลายเรื่องแล้วก็เห็นสัน้นๆ เราก็กลับมาอยู่กับกายเคลื่อนไหวให้ทันทีเหมือนเราเปิดประตูปิดทันทีเหมือนเราทำอะไรผิดเแค่ทันทีอย่าปล่อยทิ้งไว้จริงๆเลยว่าปฏิบัติปฏิบัติคือกลับคือเปลี่ยนปฏิบัติคือเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรให้เป็นสภาวะที่รู้ทั้งหมดมนสุ ก, ก็รู้มันทุกข์ก็รู้ถ้าจะเป็น ภาวนาคือเปลี่ยนร้ายเป็นดีภาวนาคือเปลี่ยนร้ายเป็นดีภาวนาคือขยันรู้รู้ตรงที่มันหลงรู้ตรงที่มันไม่รู้เรียกว่าภาวนาตรงไหนที่มันไม่รู้รู้ตรงนั้นถ้ามันเกิดขึ้นถ้ามันเกิดขึ้นกัรู้เรื่อยไปมันหลงเป็นเหตุให้เกิดความรู้ความสุขความทุกข์เป็นเหตุให้เกิดความรู้เปลี่ยนแต่พฤ้นตเพื่อไป เพื่อให้ได้นิสัยได้ปัจจัยมันมีนิสัยมีปัจจัยตรงนี้ด้วยมันหลงอะลู่เนี่ยมีนิสัยแล้วมีปัจจัยแล้วไว้มีนมินสัยมีปัจจัยเพื่อถึงวัดผลนด้ผ่านมันก็จะไม่มืดมนต่อไปจะเป็นกระแสไปกอะเสแห่งความรู้ลู่เห็นมันหลงแล้วหลงอีกก็รู้แล้วลู่อีกก็ชานาญตรงนี้ด้วย ตำนานตรงที่มันหลงตำนานตรงที่มันรู้อือแล้อาจจะเปลี่ยนเหมือนกับหน้ามือหลังมือตัวไปเมือ่อต้องไปมีเจตนาตรงนั้นมันเป็นไปเองมันเปลี่ยนของมันเองความถูกต้องความเป็นปรามัดมันล้อกเป็นในตัวของมันเองไม่ใช่ไป อ, อ่อนอื่นมาเป็นปรามัดในความหลงก็ ม, มีความไม่หลงความหลงไม่ใช่ปรามัด ความรูปสึบตัวน่ะก็ไม่หลงเนี่ยเป็นปรมาทิสวงหลงเป็นสมุติควมรูปเป็นปรมาทิสมโกดเป็นสมุติความรู้เป็นปรมาทิอย่างนี้อะไรที่มันเกิดขึ้นเราเราสัมผัสการสัมผัสแบบนี้ไม่ต้องมีคำถามไม่ต้องมีเหตุผลจนเห็นรูปธรรมเห็นนามธรรมเห็นรูปธรรมเห็นนามธรรมเห็นอะไรมันบอกไปหมดเลย ไม่ใช่มีปัญหาเหมือนกับเราศึกษาวิชาทางโลกแล้วเลยพระจีเห็นมันบอกอันนี้คืออะอันนี้คือความไม่เที่ยงไม่มีไปถามใครกวาไม่เที่ยงตวัวไม่เที่ยงมันบอกเมื่อเห็นความไม่เที่ยงมันไม่ใช่เห็นเหมือนกับเห็นลูกมันฉลาดมีปัญญาเห็นทุ่มเป็นทุกข์มันต้องมีคําถามมันก็เป็นปัญญายในตัวของมันเอง เรีว่าศึกษาธรรมศึกษาคือทะลุงคือย่อยไม่เป็นชิ้นเป็นอันย่อยออกศึกษาคือย่อยออกคือเห็นทุกถ้าทุกไปเป็นก้อนถ้เห็นแล้วก็หมดไปแล้วมันทลุงออกแล้วมันเปิดการเห็นถ้าทุกหนึ่งไม่เป็นก้อนถ้าเห็นทุกความทุกก็หมดไปเป็นปัญญาไปแทนมันง่ายๆการศึกษาธรรมหล ปฏิบัติธรรมนะ่ะไม่ต้องใช้สมองไม่ใช่เหตุผลไม่ใช่เลี้ยวแรงกำลังหนุ่มสาวเฒ่าแก่เพศวัยไม่เกี่ยวมันเป็นพลังในตัวอุปันนะ่ะเช่นความรู้สึกตัวนะ่ะอยู่กับคนหนุ่มอยู่กับคนเจออันเดียวกันไม่มีคำว่าหนุ่มไว้แก่ในความรู้สึกตัวกระบวน า, าของรู้สึกตัวไม่มีเพศภาวะอะไร ไม่ต้องออกมาอ้างในขณะที่มันเจ็บมันป่วยก็รู้ได้ยิ่งดีใหญ่ไม่เหมือนอันอันอื่นสิ่งเหล่านี้ท่านจึงควรที่จะศึกษากันบ้างเพรชีวิองเรามันอยู่กับนอนอยู่กับสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่รู้มันก็เป็นพิษเป็นภัยต่อเราในความทุกข์ในความไม่เที่ยงในอาต่างๆมันเกิดขึ้นต่อเราได้ เป็นโทษเป็นภยัยกับตัวเราแต่คนอื่นได้จึงไม่มีอะไรที่เราจะต้องลังเลสงสัยเันแบบนี้มันเป็นอย่างนี้เราจึงมาสร้างเราจึงมาประกอบของรูปสุกตัวเนะ่เป็นการบุกเบิกเวไปจะเอาผิดเอาถูกจะเอาชอบเอาไม่ชอบ สำคัญมั่นหมาทำซื่อๆทำรร่นๆมีกำรุวนๆรู้ซื่อๆเข้าไปให้มันตรงๆเข้าไปปฏิบัติตรงมันหลงก็รู้มันตรงต่อกันในความหลงมันมีความรู้เรื่อปฏิบั ต, ติตรงในความรู้ก็เป็นการออกจากทุกปฏิบัติออกจากทุก ปฏิปัติดีแต่รูดที่ใดที่นัก็มกรรคสะาดงั้นไม่กวดให้ปวดผ่านไปที่ใดต้นนั่งกส็สะอาดรวรูดสุดตัวไม่ใช่รูดเฉยๆรูดที่กายก็ชานาญในกายรูดที่จิตก็ชานาญในจิตรูดที่เวทนาก็ชานาญในเวทนารูดที่ธรรมก็ชานาญในธรรม ถ้าสี่สี่ดานนี่มันกักขังทําให้หลงตรงนี้ก็ไม่หลงตรงที่มันหลงมันไม่หลงควไม่หลงมันเป็นไปข้างเดียวนี่คือกายคําว่ากายไม่หลงเลยนี่คือเวชนาคําว่าเวชนาไม่หลงเลยนี่คือจิตคําว่าจิตไม่หลงเลยเภกรณ์มันเป็นดงมันหลงนั้นเราเดินทาง ตรงไหนเที่ยมันหลงมันเกิดความํานานตรงนั้นมันใส่ใหญ่ได้หลงข้างเดียวตัวหน้าก็ชานาญไปเลยคนที่ไม่เคยเดินทางก็ไม่เห็นความหลงไม่รู้จักผิดคนไม่เคยทํางานก็ไม่รู้จักผิดอารที่ทํางานต้องผิดต้องหลง ความผิดความหลงมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาประสบการณ์บทเรียนตรงนั่นด้วยมีบทเรียนเวลามันหลงมีบทเรียนประสบการณ์ตรงนั้นบทเรียนนี้ได้จากการกระทําไม่ใช่บทเรียนจากทัศนศึกษาเห็นทางตาทางหูคนอื่นบอกเล่ามันล่องลาไปเที่ยวอินเดียคนอื่นบอกเล่าแต่ว่าการเห็นทำไม่เหมือนการไปเห็นแบบนั้น ไม่มีใครบอกเราเราจึงง่ายๆทำสบายๆอย่าไปตั้งกดตั้งโ้เอาผิดเอาถูกเอาจริงเอาจังแฉ่งขันกับใครทำแบบยิ้มแย้มแจ่ ม, มใสเวลามึงหลงอาจจะหัวเราะของหลงได้ สิ่งแวดล้อมในความหลงสร้างขึ้นมาเวลามันหลงฉันที่จะไปเป็นผู้ผิดไม่ใช่เวลามันหลงน่ะจะเป็นความรู้ลึกซึ้งตรงที่มันหลงความหลงไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะต้องตั้งข้อหลังเกียรตรู้แล้วคําว่ารู้แล้วไม่ใช่หลังเกียรมันหลงรู้แล้วมันสุกรู้แล้วมันทุกรู้แล้ว ถ้ามันหลงมันน่าจะหลงมันน่าจะเป็นอย่างนั้นมันน่าจะเป็นอย่างนี้อ น, นั่นมันไม่ใช่ไม่ได้ประโยชน์นี่จะเป็นโทษการศึกษาธรรมะ ม, มันได้ผลทันทีนีความรู้จักตัวก็รู้ทันทีพลเหมือเพิ่ก็รู้ทันทียกมือคว้ามือวางมือรู้ทันทีทันทีปัจจจตัง ไม่ต้องรอไม่เหมือนศึกษามัเหมือนทำงานอันอื่นทำงานอื่นต้องรอเป็นหลายวันเป็นเดือนเป็นปีกรกรมฐานไม่ต้องรอการกระทําเกิดขึ้นก็มีพร้อมทันทีไปด้วยกันทันทีอยู่ด้วยกันทันทีไม่มีอะไรจะศักดิ์สิทธิ์เท่ากับวิชากรรมฐานไปวิชาศึกษาทางรัดลัดจากลัดลูด่ล ก, ก็บลู่ทันที ไม่ต้องไปท่องสติความลึกได้สามพััญญะความรู้ตัวกับอ่านหนังสือมันอยู่กับเราแล้วกายก็อยู่ในตัวน่ะเวทนาก็อยู่นี่มันโชเมื่อเราดูมันก็โชวเวลามันโชออกมากายมันก็โชวมันใช่กายธรรมดามันโชหลายอย่างแสดงหลายอย่างเป็น ตัวเป็นตนอยู่กับกายเป็นตัวเป็นตนอยู่กับเวทนาเป็นตัวเป็นตนอยู่กับความคิดจิตใจมันไม่ใช่เรื่องเดียวเรื่องกายก็มากเรื่องใจเรื่องเวทนาก็มากเรื่องจิตก็มากเรื่องธรรมก็มากเป็นกุศลเป็นอกุศลง่วงเมาหอนนอนงงงสงบฟุ้งซ่านหลายอย่างเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นกับตัวเราได้ แล้วก็เห็นเราเห็นเรามันก็เรื่องเดียวเราจึงมาศึกษากันเป็นภาคปฏิบัติบ้างเป็นภาคการการะทาบ้างเป็นภาคที่จะดีบ้างเด็กน้อยเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีอย่างนี้ก็ได้แล้วหัอเลาะพอใจอ เห็นอย่างนี้ไม่ใช่เห็นแบบพุ่งซ้อนเห็นแบบเป็นพลังเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีไม่ใช่เห็นแบบเวลาเราย่างนั่งยกมือสร้างจังหวะมันคิดไปทำไมเพียงคิด่อนนี้มันจะคิดมันเป็นอะไรมันไปอยู่ตรงไห น, นไม่ใช่ไปลําดับเหมือนนกจับผิดไม้มันบินหนีไปแล้ว แต่เราจะไปรูปคำตรงรอยนกมันจับตรงไหนเันไหมไม่มีประโยชน์ไปแล้วก็แล้วไปอันนั้นไม่ใช่จริงนี้มีจริงนี้จริงมีไปเอาวตัตถุอันอื่นมาเป็นจริงกำหนดไม่ใช่ต้องปฏิบัติต้องศึกษาต้องเห็นแช่งไออาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเรา เรียกว่าอาการมันเบาๆถ้าเรียกว่าสุขทุกข์ร้อนหนาวมันก็หนักถ้าเห็นเป็นรูปเป็นนามแล้วเห็นเป็นอาการอาการของรูปอาการของนามถ้าเห็นเป็นความโกรธไม่ใช่อาการเป็นโกรธเป็นผู้โกรธมีตัวมีตนในความโกรธ มีตัวมีตนอยู่ในความทุกข์มีตัวมีตนอยู่ในความสุขมีตัวมีตนอยู่ในความรลกความชังมีตัวมีตนอยู่ในความผิดความถูกความได้ความเสียความพอใจความไม่พอใจเรื่องก็เป็นพบเป็นชาติอยู่ตรงนั้นได้เป็นอาการพบชาติก็ไม่มีอาการไม่มีตัวไม่ตนไม่มีพบไม่ชาติ สิ่นพบเชิงชาติแต่ก่อนมันเป็นตัวเป็นตนเป็นกูพอเห็นเป็นอาการมันก็ไม่มีกูมันเป็นอาการเกิดขึ้นก็ะชินกรรมได้ไม่มีกรรมแล้วไม่มีเวญได้ถ้ายังเป็นสุขแล่วไม่กรรมอยู่จช่งเป็นทุกข์ก็ยังไม่กรรมอยู่้ า, ย, ารร ย, ยังมีความรักความชังพอใจไม่พอใจ เลียกว่ามีกรรมอยู่ถ้าเห็นเราก็ไม่มีกรรมชิ้นกรรมชิ้นเวรชิ้นกรรมงดบาปบ้าเป็นใจก็ใจดีปกครองไม่มีแขแห่งความรักแผลแห่งความชังแผแห่งความทุกขกวามทุกข์แผลแห่งความพอใจแผลแหงความไม่พอใจยังไม่มีเลย